นี่ตั้งใจสมาทานศีลวันนี้ถือถือว่าเป็นศีลพิเศษแต่ก็เป็นวันพิเศษอีกต่างหากนะคะ่ะนัสธาญาติโยมเห็นไหมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นเดือนตั้งแต่ออกพรรษามาฝนยังไม่เคยตกวันนี้เป็นฝนตกเลยเนี่ยก็ฝนตกรู้จักความอีกต่างหากนะเพราะอลไรจึงว่ารู้จักความขนาดที่หลวงพ่อไปบิณฑบาตแต่ตอนเช้ามันก็ตกเนี่ย ตอนตื่นนอนมันก็ตกกลินพรัมพลัมพลัมพอหลวงพ่อไปบินทบาทมันก็หยุดนะพอหลวงพ่อมานั่งศาลาเนี่ฝนก็ตกอีกหลวงหลวงพ่อว่าฝนวันนี้ฝนรู้จักความรู้จักเว้นเว้นช่องให้เอพระบินทบาทแล้วก็เวลาพระมานั่งที่ศาลาแล้วก็ค่อยตกนะหลวงหรวงหลวงพ่อเลยบอกว่าเออฝนวันนี้รู้สึกว่ารู้จัก รู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควรเนี่ยดีมากเลยฝนวันนี้นะถ้าคนก็น ว, ว่นนิสใสดีละวันนี้ถ้าทำได้อย่างนี้เปลว่าคนรู้จักกาละเทศะการสถานที่บุคคลเออถ้าเป็นอย่างฝนฝนวันนี้นะแต่บางทีก็เกเรเหมือนกันนะฝนนะแต่วันนี้รู้สึกว่าฝนดีวันนี้รู้จักเออรู้จักเว้นช่องให้พวกคูบา อาจารย์ไปบินธะบัดศรัทธา ญ, ญาติโจมตักบาทมันก็ไม่ตกนะพอเขามาศาลาเรียบร้อยก็ตกแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลพวกเราเข้ามาสู่วัดวาสนาศาสนาด้วยและก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะปีหนึ่งก็มีวันนี้นะเป็นวันที่ห้าธันวาเป็นวันพูดแบบเข้าใจกันง่ายก็คือวันเกิดของในหลวงของพวกเรา เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านจึงถือว่าเป็นวันสำคัญประเทศชาติเขาก็ยกว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติวัน12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติคือวันเกิดพ่อบรมราชินีวันนั้นวันนี้พวกเราไม่มีอะไรที่จะบูชาพระคุณท่านได้เพราะท่านก็มีทุกอย่างแล้วนอกเหนือจากพวกเราประกอบคุณงามความดีพวกเราเป็นคนดี คิดดีทดําดีพูดดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเท่านั้นแหละเป็นวันพ่อแห่งชาติพ่อของเราขอพอใจถ้าเป็นวันแม่แม่ของเราก็พอใจถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนะถ้าเป็นวันเกิดของหลวงพ่อนะคณะาทายาทโยมลูกหลานทุกคนประกอบคุณงามความดีไม่ต้องเอาอะไรมาให้หลวงพ่อล็กอกมีแต่ว่าผมเป็นคนดีวันนี้ ผมจะคิดดีผมจะทําดีผมผมจะพูดดเีเพียงเท่านั้นละ่ะหลวงพ่อเนี่ยพอใจเอสบายใจพอใจกับลูกหลานที่ได้มาในวันเกิดหรือว่าอยู่นสะถานที่ใดก็ตามถท่านู้วันนี้เป็นวันเกิดหลวงพ่ออินนะพวกข้าพเจ้าจะคิดดีทดําดีพูดดีเพียงเท่านั้นละ่ะหลวงพ่อปลื้มใจเอในกอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของพวกเราคงจะเหมือนการ น, นมัสยเพราะท่านเป็นคนดีท่านเป็นปราชญ์ท่านเป็นบัณฑิต เ, เป็นท่านเป็นพ่อที่ดีของประเทศชาติอยู่แล้วเพระาะฉะนั้นพวกลูกหลานคณะสัตธาญาติโยมทุกคนทําความดีเพื่อพ่อคิดดีทดําดีพูดดีพ่อของเราก็จะเป็นที่พอใจกับลูกกับหลานกับพวงประชาทุกหมู่เหล่าอต่อเ น, นี้ไป หลวงพ่อมองมาเห็นอย่างอื่นที่จะดียิ่งกว่าศินห้าของพระพุทธเจ้าที่ท่านประทานเอาไว้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้คาราสถาญาติโยมแสดงออกซึงซึ่งกายกรรมวจีกรรมากายกรรมคือการกระทําวจีกรรมคือคือการพูดออกมาว่าข่าพเจ้าจะเป็นผู้มีสินห้ า, าในวันนี้ดัะนั้นหลวงพ่อจึงให้พวกเราท่านทั้งหลายสมาทานศิน ในขณะนี้เอาต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิผูติยันติตัสมาสีหลังวิโสธาเยุเอาต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวปารา เรื่องวันที่ห้าทันวาให้กับคณะทาญาทโยมเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของพวกเราที่มาสู่วัดวาศาสนาเข้ามาสู่วัดหลวงพ่ออย่างน้อยก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อจะได้แนะนำบอกกล่าวเรื่องศีลธรรมจริยธรรมที่ดีในหลักของพระพุทธศาสนาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้ถือว่าเป็นวัน สำคัญยิ่งวันนี้เป็นวันที่ห้าธันวาคมพุทธศักราช2558เมื่อวานวันที่สี่ตอนเย็นหลวงพ่อก็ได้นัดประชุมพระทั้งวัดและคณะสัทธ า, าติโยมได้มาร่วมรวมกันไหว้พระแล้วก็พระสงฆ์ทั้งมวลเชิญเทวดาสมันตาจักวาเลสุ เชิญเทวดาในจักรวาลวัดวาศาสนาของพวกเราได้มาร่วมฟังพระปริตะมงคลจากนั้นก็ได้ทําวัดเย็นจากนั้นก็ได้เจริญพระปริตะมงคลเพื่อเป็นสตริมงเป็นมงคลเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพระพรรมราชินีพระปรรมวงศสานุวงศ์ทุกทุกพระองค์เป็นการ จเจริญพระพุทธมนต์เมื่อคืนเนี่ยพอจเจริญพระพุทธมนต์เสร็จพอนั่งสมาธิฝนตกนเมื่อคืนเนี่ยฝนฝนพรำพร ม, มาอีกนะคณะนะสัตยาติโยมแสดงว่าเทพเจ้าเหล่าเทวาในวัดของเราหรือว่าบริเวณละแวกนี้คงจะยินดีอนุโมทนาเหมือนกันนะฝนตกพรำพำเอฝนไม่เคยตกมานานว่อหลวงพ่ออืมแต่ทิ้งยังไงก็ตาม พวกเราทุกๆ ท, ท่านเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแ ต, แต่หลวงพ่อเกิดมาเดี๋ยวนี้ก็อายุเจ็ดสกว่าพอบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็แปดสิระชผจพรรษาของพระท่าน88แล้วพวกเราประสบนิกรลูกหลานทุกคนที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย พวกเราเนับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากถ้าหากว่าไปเกิดในพื้นแผ่นดินอื่นล่ะเอออย่างประเทศรอบบ้านรอบข้างของพวกเราพวกเราเนึกดูสินั่งหลับตาคิดดูสิเออถ้าพวกเรามีความคิดทำไมโง่เกินไปนะเออพวกเราคงจะคิดออกว่าเอ่อประเทศรอบด้านรอบ ข, ข้างของพวกเราเนี่ยเป็นมาอย่างไรเออพวกประเทศไทยเนี่ย ได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขอย่างไรพระพุทธศาสนาคุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรพระมหากษัตริย์คุ้มครองประเทศชาติอย่างไรพี่น้องประชาชนทุกหมู่เร า, เามีคุณธรรมศีลธรรมมีการอยู่ดีกินดีอย่างไรถ้าหากว่าพวกเรานึกย้อนดูนะอนอดดูในประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่คําพูดของหลวงพ่อคํานี้แหละ หลังไปนะั่นแปลว่าเป็นเริ่มเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะลูกหลานนะเนีนี่แหละประวัติศาสตร์ย้อนดอูว่าการเป็นอยู่ของพวกเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราได้รับความสงบพรมเย็นเป็นสุกในพื้นแผ่นดินไทยมีอะไรบ้างาธรรมชาติดินฟ้าอากาศาแผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหวาพายุฝนตกน้ําท่วม สรุปแล้วก็คือก็ไม่หนักหนาเท่าไหร่พอทนได้พออยู่ได้ก็มีบ้างนี่แหละอันนี้แปลว่า่วนหนึ่งแหละได้รับความสงบผาสุกในธรรมชาติไม่เบียดเบียนพวกเราจากนั้นก็โจรผู้ร้ายก็ได้รับความคุ้มครองจากแผ่นดินคือพระเจ้าประบาทจอมเดจพระเจ้าอยู่หัวทุกระดับที่ท่านดูแลประเทศชาติท่านก็ให้ความคุ้มครอง คนดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีในพื้นแผ่นดินไทยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันจากนั้นก็พวกเราก็ทำมาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพก็ไม่อดไม่อยากในพื้นแผ่นดินไทยอาหารการบริโภคก็นับว่าถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศดีกว่าหลายประเทศทั่วโลกกน็นวัยเป็นผู้โชคดีอีกส่วนหนึ่งจากนั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติของพวกเรา บรรพบุรุษของพวกเราที่ได้นับถือพระธรรมคำสอนอะพระธรรมคำสอนอคือพระพุทธเจ้าได้ประกาศพระธรรมคำสอนออกมาเราก็ได้นำพระธรรมคำสอนออกมาวิเคราะห์ออกมากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลด้วยสติปัญญาในบรรพบุรุษของพวกในชาติไทยของเรานำมาพิจวิเคราะห์วิจารณ์ดูแล้วว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลจริง จากนั้นพวกเราจึงได้นับยอมรับนับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านํามาประพฤติปฏิบัติอย่างที่วันนี้หลวงพ่อก็บอกว่าไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าเกินกว่าศีลห้าใ น, ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมถ้าผู้ใดมีศีลห้าไม่ติดคุกไม่เข้าคุกไม่เข้าตารางไม่เป็นคนชั่วเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลาย ศีลห้าเป็นศีลคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดําบันคือเป็นศีลห้าเป็นศีลของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศเอาไว้บรรพ์พรุษของพวกเราปู่ย่าตาทวดของพวกเราก็มาวิเคราะห์โดยเลยใช่พระพุทธเจ้าเนี่พูดถูกยอมรับเป็นศีลคุ้มครองโลกจริงๆจึงได้น้อมยอมรับนําศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติพวกเราจะทําสังทําสังฆกรรมงานใดก็ตามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้ว พวกเราจะไหว้พระแล้วก็จะมาทานศีลห้าเพราะว่าศีลห้าเป็นศีลทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยนี่แหละพวกเราหนืนับว่าเป็นผู้โชคดีที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยโชคดีหลายหลายชั้นทีเดียวการอยู่ดีกินดีการดูแลปกครองรัฐบาลทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยอยู่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ เดูแลประกับดูแลประคับประคองอยู่แล้วก็การเป็นอยู่ทุกเราพวกเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้บรรยายให้ฟังพวกเรานึกคิดดูสิจริงไห อ, อถ้าพวกเราใช้ความคิดหลวงพ่อกับมั่นใจพอหลวงพ่อออกความจริงมาพูดมาแนะนําบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาตทยมอมได้ฟังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอย่าอย่าทรายศเดาดง่ายอย่าทรายศอย่ารู้ถูกเย็ดยามต่อชาติบ้านเมืองให้เคารพให้คิดดีทำดีพูดดีให้สร้างสรรค์สิ่งไหนที่มันดีรู้ไหมดีถ้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วแล้วก็ไม่รู้จะสอนยังไงไม่รู้จะบอกยังไงอีกเหมือนกันนั่นแหละดีรู้ไหมดีคิดดีรู้ยังไงคิดดี คิดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นาทดาดีไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นพูดดีพูดมีการสร้างสรรค์แม่แนะนำไม่ในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมอย่า ก, ก่อการทะเลาะวิวาท อ, อันไหนผิดถู ก, กรู้แก่ใจถ้ามันจะผิดจะทะเลาะวิวาทกันแล้วคิดไปพูดไปทำไมอย่าพูดนะสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะ ถ้าคิดดีทดําดีพูดดีแล้วอยู่ในสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็การครบค้าสมาคมก็เหมือนกันการครบค้าสมาคมเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญถ้าอย่างพ่อของเราทุกคนนะ่นแหลอย่างพ่อโยมพ่อของหลวงพ่อก็เหมือนกันนะวันพ่อเราจะต้องพูดเรื่องพ่อสักหน่อยนะวันนี้นะโยมพ่อของหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อเป็นเด็ก เออเป็นเด็กเรียนหนังสือเนี่ยลุงพ่อเองน่ะเป็นเด็กน้อย เ, เห็นหมูพวกเพื่อนอชวนมาบ้านอะไรลักษณะอย่างนั้นแ่ละเราเนชอบหมูชอบเพื่อนอยู่แล้วแต่ผู้พ่อลุงพ่อโยมพ่ อ, พอของลุงพ่อเนี่ยท่านก็ไม่ว่าแต่ท่านเอาเพื่อนบางคนมาเนี่ยลุงพ่อบอกโยมพ่อบอกเตือนเอ้ยลูกอดูนะเนี่ยพ่อแม่ของเขาเนี่ย ดูดูแล้วเป็นขโมยนะนิสัยไม่ดีไปคบกับคนที่ไม่ดีไปคบกับเพื่อนที่ไม่ดีเนะี่ยอันตรายนะจากนั้นท่านก็เล่าเป็นนิทานให้ฟังนะทุกพ่อหึงจึงติดนิทานนะ่ยคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานท่านก็เล่าเรื่องออพญาลินทองกับพญายักษ์กรลส า, าตะกรก็เป็นเพื่อนกันแตคนนน่คนหนึ่งนิสัยดีคนหนึ่งนิสัยเกเร พลทสุคนนิสัสยกเกเรเป็นคนเนี่ยกไปเรียนไปเรียนคาสะพัดไปเรียนวิชาคาถายักษแต่พญาลินทองเนี่ยกเรียนภาษาบันดิตนักปรารถมีความให้ความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีงพลที่สุดสองสหายเนี่ยทะเลาะกันห้ามหันกันเนี่แหละท่านกลมาพูดให้ฟังว่าการครบค้าสมาคมเราต้องดู ดูเพื่อนต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นยังไงถ้าเราครบคนไม่ดีต่อไปเราก็ไม่ดีต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราครบคนดีคนดีนั่นแหละจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเราไปอยู่ตกทุกข์ได้ยากยางไรถ้าดิถ้ามีเพื่อนดีเพื่อนที่ดีก็จะบอกกล่าวแนะนำว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรไม่ควรพยุงกันขึ้นในเมื่อตัวเองตกลมเพื่อนก็ต้องพยุงขึ้นมา นี่เหมือนก่อนเมื่อตกตัวเองหลงไปในทางที่ผิดที่ทางที่ผิดถูกหรือว่าดําเนินกิจการงานผิดพลาดทําให้ตกตัวเองตกทุกข์ใดยากเพื่อนก็พยายามดูจะช่วยเราเท่าที่เขาจะช่วยได้หรือว่าช่วยอย่างเต็มที่สุดวิสัยของเพื่อนอันนี้เป็นเพื่อนที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสรรกล้องเลือกคอบเพื่อนที่ดีถ้าหาว่าเพื่อนผู้ใดพลิกไปพลิกมา เหมือนกับขมิ้นกับปูนพอวันดีคืนดีลก็ดีพอค น, นดีก็ดีกับเลวอันนั้นอย่าไปครบถ้าครบอย่างนั้นขึ้นมาแล้วนะ่ะหาความสงบผาสุขไม่ได้ต้องประเว้นให่หางถึงจะมีด้วยกันสองคนทั้งโลกก็ให้อยู่คนละข้างกันอย่าไปใกล้กันนี่หละบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายการครบค้าสมาคมการเลือกคนการเลือกคบคน แต่ทุกคนก็ไม่ใช่จะดีทุกคนไม่ใช่จะ ด, ดีทุกอย่างซะก่อนยังครบไม่ใช่แต่เราก็ต้องเลือกครบในมุมมุมเขาที่ดีถ้าหากว่าดูดูแล้วเออถ้าหาว่าถ้าครบไปนี่เราจะเสียหายนะเนี่ยเราก็ต้องหนีเว้นให้ห่าง อ, อ, อย่างที่พวกเราเห็นว่าเอออันนี้มันขายยาบ้าเนะี่ยแต่เราก็ได้อยู่ดูรู้ดูรู้อยู่แพรม เราจึงไปนั่งรถกับเขาอยู่นะนพอตำรวจจับมาจับได้นะ่ะเราคนนึงแล้วต้องติดคุกอถึงกว่าผมไม่ผมไม่รู้ผมไม่เห็นขนาดไหนก็เถอะนะเพราะเหตุไรเพราะเนี่ยการครบค้าสมาคมเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญเหมือนกันนะทําให้ตกเองตัวเองตกทุกได้อยากได้เหมือนกันอติดคุกติดตารางได้เหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะการครบค้าสมาคมเราไม่เลือกคบเพราะนั้นการที่จะคบค้าสมาคมกับ ผู้ใดใครก็ตามเราต้องดูซะก่อนว่าเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีไหมถ้าดูแล้วมันไปทางที่ไม่ดีเราก็ควรจะห่างน ะ, ะห่างเพราะถ้าหาว่าเราขืนเข้าไปเข้าไปใกล้เผลอๆเราติดคุกติดตารางเสียชีวิตทางชีวิตชีวิตหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะคืนได้ง่าย พอมันติดคุกไปแล้วนะ่ยจะไปล้างออกว่าคนคุณไม่เคยติดคุกนะคนไม่เคยทําความชั่วนะมันล้างไม่ออกเสจะแล้วเพราะนั้นสิ่งไหนก็ตามสิ่งที่มันชั่วอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดอย่าเข้าไปใกล้สิ่งที่มันไม่ดีเราต้องห่างเราต้องเป็นพยายามเป็นคนที่ใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดใช้เอาตัวรอดอไม่ใช่เอาตัวรอดแบบความชั่วแล้ว ตัวเองทำความชั่วแล้วเอาตัวรอดไม่ใช่นะอันนั้นเป็นพาละชนเหมือนกันพระพุทธศาสนาไม่ยกย่องเหมือนกันเราคิดตั้งแต่ทีแรกว่าเราจะไม่ทำความชั่วเราจะไม่คิดชั่วเราเราจะไม่ทำชั่วเราจะไม่พูดชั่วเนี่แหละอันนี้แหละเริ่มเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็ปฏิบัติตามแนวความคิดของพวกเราคิดดีทาดีพูดดีตลอด ความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันพ่อนะเป็นวันพ่อแห่งชาติปีหนึ่งก็มีวันเดียวเท่านี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราข้ารัทถาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะประกอบคุณงามความดีให้มีศีลห้าตลอดทั้งวันวันนี้ที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนะี่ยที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อบอกกล่าวนะให้พวกเรามีศีลห้าประจํากายวายจาของพวกเราตลอดทั้งวันวันนี้ รักษาศีลเพื่อพ่อและก็พร้อมกันเป็นการถวายพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราเห็นไหมเนะ่ยหลวงพ่อพูดไปนะ่ยฝนกําลังเร่งลงมาอีกฝนกําลังจะเข้ามาฝนตกขึ้นมาให้เสียงดังขึ้นมาเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรในชนีเนะ่ลูกหลานเนะ่าทำบุญขึ้นมากับถวายเป็นพระราชกุศล น, นึกในใจด้วย แตถวายพระราชเป็นพระราชสุขสุสต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีพระบรมวงศานุยงนุวงศ์พ่อแม่ปูย่ย่าตายายวงศากนาญาติญาติพิศาหายผู้มีพระคุณสําหรับพวกเราทุกๆท่านเวลาทําบุญทุกครั้งนะอุทิศถวายเป็นพระราชถวายเป็นพระราชสุขสุสอุทิศกุศลแล้วก็มอบบุญกุศลที่พวกเราได้ประกอบคุณงามความดี ทุกครั้งต่อผู้มีอุปการะคุณสำหรับพวกเรา